ในสกุลกายของเรามีหนังหุ้มอยู่ในรอบเต็มไปด้วยของไม่สาดหรวงพ่อทุจมีอาการต่างๆถือกรรมนพระพุทธเจ้ามัดเกิดมาแก้แคบตายสิ่กับเป็นพระญาติหลวพุทธเจ้ามัดทนไหกฟอนมัดหลัะทุกสิ่งทุกอย่างพวกมันม่ดเที่ยงมาสั่งกับเป็นพระญาติหลวงพุทธเจ้ามัดนับแต่ต้นใหม่พัดยาไปสั่งพวมีแนวมันแนวเที่ยงเลยพระพุทธเจ้า่ ต่นนันก็เกิดมาเพื่อเพื่อตายค้นซั์ทั้งหลายกเกิดมาพื่แก้เก็บตายล้วยสยเพื่อทําดีไดดีท่า่วยใ่วยลวพ่อพุทธเจ้าจกลกเลยเป็นพยานพเมตเอารถเล่นเรืกเล่นแพเล่นบัสเล่นเบื่อเล่นผ้า่าบอดอุ่นมานเนี่ยพนทายเลยกัอุ่นมานด้วยเนีเป็นพญานพเจา้าเมตต ในโลกเกิดทะเล ie, าะวิวาทบาดน้างกันไม่ส er ันติาเขาไม่ควโกรกกลือนเมตตาสามัคคีกันกับไปถือคำสอนในพระติเจ้ามดันทะเลาะกันกับไปเกิดไปถือคำสอนในพระติเจ้ามัดชีวิตเละเสดสิว่าว่ามันโหนเอกกว่าคนที่ยังทายไว้ทายไว้เละๆผ้าบาดบาดเบยๆชิ้บห้าไว้หมดหมดควักยังควักสั้น ฝ้าย ห, หมบ้านเม่เฮื่อนที่ดินมันยั่งฝอายใหม่เรีกไม้พัดที่ดินม่นยั่งพระพุทธเจ้าซา <c oughs> ดอะไวะแต่เนี่ยเห็นไหมซาดที่พ่ทุขาหรชาิที่พ่ทุขาหอมันก็เป็นทุกข์ดีษฐ์ซาดเป็นทุกข์ก็เป็นพญานิรลพุทธเจ้าชราพ่ทุขาเหความแก่เป็นทุกข์มือนเน่ยแล้ก็เป็นพญาติหลพุทธเจ้าวัด มานันนำพี่ทุกขังตายก็เป็นทุกข์เน่เป็นพยาญากิคนอีกล่ะโรคทั้งภูงเกิดขึ้นที่กายเราบันถือคําพสาแพระพุทธเจ้ามัดต้องพยายามรักษาพยาบาลไ่วบ้างถ้าชาวโรคไม่ทำดีจะให้ท่านผู้ใดมาทำดีในพระพุทธเจ้าแน่เขาบันทึกคนมัดกัน ลถ้าชาวโลกไม่รักกันจะให้ผีตัวไหนมารักกันพระพุทธเจ้านี่ยถ้าโลกถ้าชาวรลกไม่เบียดเบียนกันจะให้ผีตัวไหนมาเบียดเบียนท่อผู้ที่มีเมตตาก็ไม่เบียดเบียนกันผู้ที่ไม่มีเมตตาก็เบียดเบียนกันก็ชะละกันพระพุทธเจ้าเนี่ยพิไว้ยังไง่ย ถ้าบวชมาแล้วจงพุธให้ดีอย่าไปแผ่ไปขอเขาอย่าไปเล่นเลเล่นผาเล่นบัตรเล่นเบอร์เนืองถ้าเทาไปล่วงท่นกับพแม่ถือข้อมความสอนโอติจอกถ้าเทาว่าไปล่วงั่นก็ถือค้สอนเพิ่นซังอีกเพิ่นกับซังไว้ทั้งสองด้านในทั้งทางงใดทั้งเสียสิว่าเีว่า้นงนเป็นพยานเพิ่นวัดเอาลด บทคมาเน hui, ada, ี้จงประพฤติให้ดีเนาะแต่ถ้าป่ะพฤตดีกับแม้นถึอกวมเพินแต่ถ้าป่ะพฤติไม่ดีกับแม้นถึอก่วมเพลินนั่นงว่าจะไหนบทามนี้อย่าไปแผลไปขอเขาเนาะแต่เขาจะให้แต่ถ้าว่าแผลว่าขอก็ถือก่วมเพลินแต่ถ้าแผลถ้าขอก็ถือช่างพดีมานะคักว่าละนี่ในใจโลกธาต เต็มไปด้วยอเ น, นจังเห็นอเ น, นจังคณะหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกแต่ม่ได้อเ น, นจังพระพุทธเจ้าเราผูกมัดไปหมดเลยเราม่รู้จะความเพลินมัดกับความหอบบอมีท่านทั้งหลายอย่าไปหลงของเที่ยงออย่าไปหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงอย่าไปหลงของซุกว่าเป็นของสุก แล้วไอ้ของของสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตวนว่าเป็นสิ่งที่ของตัวตวนเนอดินน้ำไฟลมมันไม่ไปฏิญญาณว่ามันจะเป็นของพวกเราใช่ไหมเอกจะบ่นแมนท่านเลยไม่บรรอกออกไปใช้กับถือตะกว่วเฟินเพินอวบก้อนเฟินอวบกุฏิเจ้าเกิดมาแล้วไม่ยั่งยืนยงเนอแล้วก็เส้นลมพาย ดินก็แตกไปเป็นดินน้าวไฟก็เป็นแตกไปเป็นไฟลมก็ไปแตกไปเป็นลมตามเลยความดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจความชั่อก็ไปบวกเชื่ออยู่ที่ใจบอกผว่าก้อนเท่ามดเนี่ยอะไรเท่ากับมีแต่ขับขับขับขับับจนตัวเนี่แบบขับขับขับเห็ดตามอะไรทลายกระไดถนัดจนตัวให้เหตเก่งกระเทิไปทีแม่งมันฉีนื้อเพราะพุทธเจ่าอะไรเปล่าให้ฉีดําดินวิ่นบนไปมือนี่ กเรเล็บกลางเพื่อนอะเพื่นเพชรกรเนี่ยไม่จไปตัวงอหอกงนี่ก็ะเล็บกลางเพื่อนะพอเพืนเ่นออบอกว่าขเขนได้เขียนไล้เาเคยเด็กตัแกล้งเพือพ่อนวลาเนี่ยนั่นแมนบราณมัดกับหมอนในใจโลกธาตุนะฮะความสุขไม่มีเลยเหตุนั้นพระทหารจึงข้ามความหลงของตนไปเสียว่าเจ้าวันแมนอ่ะว่เขาข้ามว่ท่านไหนเคยเช็ด ตาพรอเปล่เบื้งการยุ่งวิธีตัวอะไรกันหรอเนี่ยถ้าทั้งหลายอย่านอนใจเลยว่าต้าสองสารเถิดนอนใจเลยว่าต้าสองสารก็คือนอนใจในรุงฉันเพลง์นั่นเองจงพิจนารณาให้ดีสักพระเจ้าเราเคยนอนใจในว่าตาสองสารมานา น, นแล้วแล้ว่าเกิดแก่เจ็บตายในว่าต้าสองสารมากกว่าพวก ลูกๆและหลานพวกคุณพวกเธอพวกท่านทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มาอีกละพากท่านจะไปกับเราหรือไม่พระพุทธเจ้าพวกท่านพวกคุณพวกเธอจะไปกับเราก็จงรีบปฏิบัติให้ดีเนาะอย่าเป็นเวรสนองเวรภัยสนองภัยอยู่ในที่นี้รถตําหน่งซะให้มีเสียหน้าบ้านี่ยท่านเหล่าวดนะพระองค์เก่าเข้าเขาเห็ดอะไรเสียแรกกับแมเห็ดกับแม่ท้องเข้า เขาเหา็นว่ได้เทะเลกับแม่น้องเข้าวันเพิ่นฉีไมยเพิ่นมื่ละม้อละนกเพิ่นเห็น้องเข้าเมื่อะม้อะดกของเราก็คือธรรมะที่เราสอนนั่นเองเราไ่ได้เอาไปพระนิพานด้วยท่านท่องหลายจงปฏิบัติเถกอ่งให้เก่งไป้ต่เกง ไ, กไปถึไหนเล่มกลา ง, งพระเจ้าสียงหาโฮมีมนงมนองแต่มันเศกระดาษพระพุทธเจ้าเราห่ม เขาเห็นแก่นาคาซื้อพระพุทธเจ้าเขาเอามาหหมน่ามันของตัู้ดังพี่งบพี่งบเม่นบวัดกูเขาว่าเน่ไมแท่เขาเห็นแก่นาคาซื้อพระพุทธเจ้าทำประสงค์มีวัดกูเขา่าจะตางกูเขา่าทำไมแท้เขาเห็นแก่นาพระพุทธ้าทประสงค์เขาเอามาหาห้ือว่ามันของตแเม่อนบอกู้ดังพี่เงบพี่เงบม่อนบ มุห้ากับอุปมาคือคือนอนคือแมงวันเพระพระถ้าถ้พระสง์พระพุทธเจ้าไม้เอาปูพนัผนผลสาเกดเดตแล้วพันธิมอะไรได้หรอมุ้งห้ากับมันญยาด ก, กันที่จี๊ด ก, กันท่งไ อ, อ้หลวงหัวหลดนหัวดำแ <c> ห <oughs> มหรอห <c oughs> ยาดแ่นดินแผ่นหยาพผ่นไฟเพผ่นร่มกัน ในโลกนล้วไม่มีใครเป็นเจ้ามีแตุ่ ก, กับตายาเป็นปติต่้านี่อนว่าสั่งเหรอใครได้เป็ยนเจ้าข้นก็บ่ได้เป็นวนว่นก็บ็่ได้เป็นฝรั่งก็บว่ได้เป็นอังกฤษก็บว่าได้เป็นว น, นที่สุดกับแบบ่มันเปลี่ยนแฉงไปในเวลาเอาอย่างไปนั่งสั่งเที่ยวมากว่าดีเที่ยววุธกว่าดีนับจะพม้มมโรโลงมากไมีเกิดแก่เก็บตายท่านหนึ่งว่ามีแรงสมปสงค์จากแนว ผู้ชั้นผู้สูงเนี่ยมันเผู้ออกนี้พระนารายว่าโอ้ยว่าสู่เราเข้าเาเข้าสู่ว่าพวแหงเราฉันเหอนเศราาจาก้าเขาเขาสู่าาส่ในสังคมนี่ันเพิ่เล่ขามคว่หลงจากของแบบสร้างเินสังคมนี่วุ่นวายเนาะคัดข้องน้อยเนวัพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่ม่ไมคัดข้องอะคิดใจคนว่ามีความคัดของเนีที่นี่มปนที่คิดของใจของคนแต่พวกเราที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดข้องเราเขา มันจะคว้าเดี๋ยวคนข้อมูลไหวไปแมน่นเ่กามนาวัตติโลโกฉันลงเป็นไปตามกรรมพวกลูกพวกหลานพวกคุณพวกคุณหนูหรือพวกลูกและห ล, า น, ลานพวกท่านระวังบางที่ถ้าพันธิสิเรียกเนี่ยแั้ท่านกระบอมีผิดแด้ เครื่องนกอีกเรลิเคื่องนกทั้งละบินมาทางไหนก็มนนนนนไก ม, มนะ่มีห้อยเครือมีเฉือน้เฉียนมาทงไหนก็ไม่มีห้อยเพ่นมูอห้าวน่ยไม่มีห้อยเลห้อยโลกห้อยกลวห้อยลงไปเซ่ไปทั้ ง, งไหนหัวอยไดกินลหลายมหาอยากนอนมากไม่รู้ตื่น รักผืนยิ่งกว่ารักตัวของคนกลัวกับกล้าก็กล้าของสั้นมาเป็นของยาวกินหลายว่าหายยากเลยโรโกดหลงกินเท่านี้กับว่าหายอยากนอนอยู่ในโลบในโกดเนีหลงนอนมากกับว่ารู้ตื่นหักผู้อื่นยิ่งกว่าหักตัวก็บหักโลกหักโกดหักหลงหลายก็หักเจ้าของ ของขวดกัวกับกะโรคภัยลงก็ เ, งเป็นของขวดกัวเข้ามากับกะใช่ไหมนมอห่อของสันนว่าเป็นของงาเอาครับเกิดชีวิตมันสั่นไม่น้อยอย่านี้เขามาถือว่ามันเป็นของกิรังย่างยื่นมื่อีดใกล้จะตายก็มัว่านแม่นว่าใกล้จะตายก็มัวเศร้าแม่นว่าจะมันเป็นแม่นว่าจะมันมเอร้าล้อ่มือห่อมิจะยกท้องขาวปฏิบัติตามท่านได้น้อยก็ไม่ต้องตู่ได้ร้ายก็ไม่ท้องต วันนี้ก็บ่าจ้ะหนเอกม่าละ้ะหวนเอกคือว่าพระพุทธเจ้ามู่ตมาถืออยง้องกพันไนนึงมันทะเลาะกันเนนอะพ ร, ระพุทธเจ้า ม, มันดีวันนี้กูจะรอมันก็น่าก่นว่านี้พระสันเดียจะไปถือลูกไอร้านไหนมันบ่มันแนวสน่นว่าอข้าคือกันแพระคองข้ออไไปว่ากูดีที่สั่นกูดี่ม่บาถือ เพราะตายไปเพื่อนังนย่างยตทพอะไรองข้ออยู่แม่นบอกเฮ็ดราคาสูงอะไรแปลดหน่อ้องกันแม่นบอกพระเจ้าอวอวิบัติมูอตัวคันว่าไม่เสียนหาอยู่ยวบ่ได้เด้อสงสานอนั่น กบฏนอนกับชุดลงผวาเนี่สัน ม, มุตโตไม่เส้น ห, าาหาบบ้าบริบูรณ์บนโลกถ้าหารกบฏต้องมีตำรวจกบฏต้องมีพนวังสั่งโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีรงโรคเอ็กก็ไม่ต้องมีเนาะถ้ามีเส้นห้าบริบูรณ์ละนอนก็ไม่สะดลงผวาเพราะมัมีเวรอยู่รอบข้างพระพุทธเจา้าออื จงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติกำลังของตนจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตน้วเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยกรรมใดที่ทำลงไปแล้วไม่เป็นที่สบายใจกรรมอันนั้นอย่าไปทำถือครับุกท่าเครา่องวัดมี่อีกด้วยกรรมใดที่เราทำไปแล้วเป็นที่สบายใจไม่มีเหลือรอดในภายหลัง ทำนั้นจงทำเถิดเครื่องตดสอบได้เลยนะ <c oughs> ขณะจิตใดที่เรานึกไปแล้วมันเป็นที่สบายใจขณะจิตนั้นก็จงนึกเถิดขณะจิตอันใดที่เรล็กไนแล้วมันเป็นที่สบายใจขณะจิตอันนั้นอย่าไปนึกเลยบ <c oughs> ริวาสาาเอาเราเป็นผู้รู้จักเป็นสัมชิกที่โกให้เห็นเองนั่นเถิด ถ้าผมเห็นให้เห็นเดี๋ยวถ้าผมเห็นห้เห็นกอดีเดี๋ยวก็ขบวดคืนเพราะตอนมาเห็นเองมันก็ไม่มั่นหรือจ้างให้เลื่อมใสอย่างนี้จ้างให้เขาแล้รับถืออย่างนี้หมดตังแล้วมันก็ขบดคืนพี <c> ่จ <oughs> ๋าเกับให้เห็นเองถืดให้มีอิสระเถิดสอนสอนจะบน่นบ่นอย่บนแซงเนี่ยถ้ามันยุตาเป็นผู้ประจักร์เหต รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อาชันรู้จากเป็นผู้รู้จักผลรู้จักประสุทเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ใครผูสร้างเหตุขึ้นก็ใจเท่านั้นใครรู้จักผลของเหตุก็คือใจเท่านั้นนอกจากใจไม่มีอะไรจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจดินฝ้าอากาศไม่ได้มาทําือพุทธศาสตร์ สวัสดีพี่ใหม่ถ้าใจไม่ทําสวัสดีจะให้ผีตัวไหนมาทําให้พ <c oughs> ระพุทธศาสนาสอนชักหนกันอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าใจไม่เป็นที่พึ่งของกายจะให้ผีตัวไหนมาเป็นที่พึ่งนอนล้ำหวานนอนนมำหวาตัวเดียวอ่ะเหตุใจผลใจพืชใจผลใจกรรมใจผลของกรรมก็คือใจ เป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายต้นสายพืชของกรรมทั้งหลายก็คือใจกิริยาที่ทําดีทําชั่วก็ใจเป็นผู้แต่งขึ้นเหตุนั่งผลก็นั่งคือใจพานั่งคนตายนั่งไม่เป็นไม่รู้จักนั่งชะงงอนเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั่นเหตุใจฟัง ผลของใจก็ฟังคนไม่มีใจมันก็ฟังไม่ได้เหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุก็ดีพืชก็ดีกรรมก็ดีส่งเคาะกันเท้าได้ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็ส่งเคาะกันเข่าได้ส่วนไปทางเดชทางตัวเ่งแต่เหตุกรรมพืชเป็นผู้ทาลง สร้างเหตุกรรมพืชลงแล้วผลของเหตุผลของกรรมของผลขอพืชไม่ตจ้าประสงค์ก็ได้ครับตามส่วนควรค่าของเหตุของพืชของกรรมเหตุพืชเที่ยรับตากรรมเที่รับตาผลของกรรมผลต้องเหตุผลต้องพืชก็มืดเหตที่ลืมตาในที่สว่างและตาก็สว่างผลของการลืมตาก็สว่างนั่นเหตุก็ผลประโยชา์การประการนั่นเหตุรับผลมืดเหตุลืมตาผลก็เห็น เว้นไว้แต่ตาฟางหรือในที่มืดผู้เชื่อเหตุเชื่อผลก็คือเชืกรรมและผลของกรรมนั่นเองคําว่าเหตุเป็นทําการเหตุไปทางดีหรือไปทางชั่วคําว่าผลก็เป็นทําการผลมาจากเหตุอันดีหรือชั่วคําว่าผลของพืชก็ไปเป็นทําการพืชไปทางดีหรือทางชั่วคําว่าพืชก็เป็นทําการพืชดีหรือพืชชั่ว คำว่าหนทางก็เป็นคาํากลางหนทางไปทางดีหรือไปทางชั่วคําว่าคนก็เป็นคกากลางคนดีหรือคนชั่วคําว่าพระก็เป็นคำกลางพระดีหรือพระชั่วคําว่าโยมก็เป็นคกากลางโยมดีหรือโยมชั่วยังมีอีกคำว่าความเห็นก็เป็นคาํากลางเห็นไปทางผิดหรือเห็นไปทางถูกถูกไหอคําว่ารู้ก็เป็นคํากลางรูร้ไปทางผิดหรือรู้ไปทางถูก ข้ากรู้่ากรู้แม่แรงมันมันก็วักบอกว่าข้ากรู้แม่แรงพึ่งมันก็บอกว่าข่ากรู้มันรู้ไปทางคนลาทางใช่ไหมนิสสมมะกระนางไสโยไข้กรวนเสียก่อนแล้วจึงทําทเสียเลยดีกว่าพุทธเจ้าเหตุใจอันใดที่รู้ตัว ผล <Born> <asthma> ของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัวเหตุใจอันใดที่ไม่รู้ตัวผลของใจอันนั้นนํามาก็ไม่รู้ตัวมักกิดมักใจก็มัวเดินโค้งน่อมไกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนก็ย่อมได้วนอยู่ที่การมาเหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นํามาโดยรู้ตัวมักกิดมักใจก็ไม่มัวเดินโค้งย่อมไม่ไกลจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตน ก็อยอมได้ไม่ได้วนอยู่ชิ้นกัรงานทำสอนพุทธเจ้ารึ่ลงไปตะพุทตะพุตตะพุตนักเพียโอเคละหันางละความรักไม่มีเนวโน้มเราเรื่อมใสพุทธศาสนะเราก็รู้จักอยู่เราไม่เรื่อมใสเราก็รู้จักอยู่เราโกหกเราก็รู้จักอยู่เราไม่โกหกเราก็รู้จักอยู่ ถูกไหมหลีกกฎหมายหลีกทำหลีกวินัยก็ทำํำวินัยบางอย่างก็พอหลีกได้แต่หลีกชั่วคราวกฎหมายก็หลีกได้ชั่วคราวกรรมที่ทําไม่ดีก็หลีกได้ชั่วคราวผลของกรรมที่ทําดีและทําไม่ดีตามมาอยู่ไม่หลงรอยเลยอันนี้มันสาคัญเลย มันก็ตามไปนั่มมันตามไปโดยปรุตตัวคือเงาเขาเลยเข้ายางไปเข้าไปในตัวเงาสิตามไป น, นั่มเลยมันก็ไปอยู่นี่เงาคิดเงาใจเงาทําดีทำดํทำตัวมันละเอียดไปกขนาดอีก <c oughs> เข้าใจว่าหนึเข้า ย, ยางไปอย่างสาิมันละเอียดมันซองมันกลายเป็นเงาไปว่าหน วันเท้าอยู่ปันมันเหมือดมันไม่เงาสีเท้าของจก่ไม่เงาสมิตเจ้าไมนกัดซองว่าอยู่ในมือน้ากระจกมือนี่อ้กํากำไรใครก่อก็เราเองสู่ขอขึ้นเพื่อพราพุทธเจ้ากับประเทศประทัง สนองกรรมกันว่าฮะร้ายศาสตร้ายภพตามอยู่ตามไปตามมาตามไปตามมาเขาเลยพระพุทธเจ้าเป็นทั่ว่าเป็นทุกปศพ้ะเทวทัตเป็นผู้นําผูกนำกองถึงย่างนั่นกันยังยังตามกันอยู่ถึงย่างนั่นเราก็เกษตรเป็นพระพัจเจก้ลเ น, น, นี่ยหลานมันมัดกรรมสุนีเล้ยแต่ว่าค้นชั่วก็ไม่จากข้นดีอย่างไง คนดีเขามาจากคนชั่วสิไว้ในพระพุทธเจ้าเขามาจากู้ทธชนคนห น, น้นากันเขาบอกว่าพระพทธเจ้าผมมีที่เดทดให้ฉกสาแล้วมีมาแสราแล้วพบท่านพ่ดเต็มแล้วผพูดได้กี่ขว ó ออกมาแวเอิด๊ดพึงขายลว น, นั่นง <c oughs> แม่บอกไมกี่ขว óng เลยเ่ ควบเชื่อขอแกับกิจของอะไบ้ไรเพราะกำห้ังพูนั้นจำจองแล้วห้ามไปแดงกับบ้านวันต้องไปหามาแรงว่านอะไรไม่กับบ้นไรว่านะมึงมากินยังเห็นแม่พูว่าเปล่งบอกว่าไปหา ม, าม้องด้วยเจ้าอาปากหาม่เชือ บ, บินขบากวน <c oughs> มันบอกนั่นเองมันไปทั้งชัวตลอดเลยบางที่ก็ไปทั้งนี้บ้างบางที่ก็ไปทังชัวบ้าง มันมาคือพระสวสดาบันพระโวสดาบันไปทั้งดีบันฑ์ทั้งชัวนับเมื่อร้อยล้อลงมันถึงโรคอุตระนี่พระสวสดิ์บันฑ์ตามก็นักลงมาพระบริจาคบริรับรองพระสวัสดิ์บัน์บันฑ์นาไปทั้งเจริญเนี่ยเพื่อมีให้เสียหนาบริบูนไม่ใช่หลายดวงระเมิดเสียหาเชื่อพระพุทประธรรมพระสงฆ์ได้เชื่อพระพูนมาปนเปในสงสัยเลยเชื่อค้สอนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื htaking, enrolled, ่อเสียดายอยากลองระเมิดสินหาเมื <pound> ่อเสียดายอยากลองระเมิดอบายจมูกเมื่อเสียดายอยากถือยูย่องท่องกะพันเมื่อเสียดายอยากถือเหลือดีงามนีเมื่อเสียดายอยากฆ่าขายของผกาหารฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสจตวเป็นยีนส์สัตวทตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายนมอ๊อกฆ่าขายยาพิษการฆ่าสายเหล่านี้พระเจาได้บันเมื่อเสียดายลงละเมิดเลยเห็นนั่นจึงแบนหน้าไปสู่ความเจริญจนถึงฝระเป็นดอกบัวตูมพนน้ำว่างแล้ว พระสักามีพรพ้นไปากว่านั้นพระนาคามีพรพ้นไปกว่านั้นพระทหานก็บานเต็มภูมิส่วนที่อยู่ใต้น้ําน่ะก็ยังหลายบางทีเพราะบางทีก็เป็นพัศยาอย่างปลาแล้วเต่าพื่อรับรองจเจสุวะเจะโนโอุจุยายะสามีพระพุทเจ้าขออนุญาตโลกุตระตกเป็นโลกทียัาางมหทันรับรองเพราะหลายบางทีมาก <c ười> พวกพิโรฐานบางที่อย่บางทีตายไปแนวก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีไปเกิดเป็นสัตว์พิศิษฐานก็มีเอไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็มีเปรตทุกจำพวกก็มีนรกก็มีพวกอะไรบางที่พวกพิโรกุศลนี่ก็สูงขึ้นไปเป็นลําดับเหมือนเดือนในวันข้างขึ้นแต่แม่กลับมาแรมอกีก พวนั่นก็เหมือนเดือนในวันค้างแรมมาสันเว่าบัวแน่ น, นอนนะครับกลับมาอะไรอยู่อืมกลับมาไะไรอยู่กลับมาอะไรอยู่กลับเป็นมนุษย์ขั้นเป็นมนุษย์ทังวันถึงวัสดาวันกลับกลับลงไปอีกขึ้นกันเอาเป็นปรว่าอะไระะนะพะระ ม, มนุษย์พระวัสดาบันสามารถมนุษย์สามารถเป็นได้เทวดาอินพุม่มก็สามารถเป็นได้ ทำขนาดลงมาสัตย์จริยธรว่าสามารถเป็นไหนแค่เป็นพ่อเปลี่ยนนิสัยคือนกเข้าที่นี่ละมันเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปวินทบาทมันก็บพือปีกออกวายมันก็ดันจริยมสามาติมาเป็นมนุษย์คือสั่งไปราบปลาได้ี่น่ะมันก็เริยมใช้พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าไปยุปลาได้ๆมันก็แปรักษาพระพุทธเจ้าอยู่มันจิได้เป็นพระปัจเจกใน่อนาคตอีกด้วย มันก็ต้องตายนะมันถือไปสวรรค์สักก้อนมันก็ได้ไปสวรรค์นะขันไปสวรรค์ น, น่ะก็สามารถเป็นเที่ยวุธเทวด า, าแล้วก็้าพ่อพระพุทธเก้าองค์นักสามารถที่ฟังเทศได้ขึ้นไปนาอะไรือกลัว่าพวกที่เป็นทัศนิษฐานดูว่าระเลื่อนตาแหน่งว่าเป็นมนุษย์หนึ่งก็ย่างหันไม่คิ้ดแล้ว ก็เป็นมนุษย์ได้หางว่าท่านเรียมฉายนะพุธพระธรรมพระสงฆ์ยังเป็นวุฒิชนคนหนาอย่างเรยนเลืกเรียนสาเวัดเนเบื่อนนนยอยู่กันกดุกอีกแล้วเห็นิดนสอบอยู่เห็นสอบ เ, เ, เ, เป็นสอบนี้ยมนจังเลงม่นะนท่านมีเชื่โอหรือว่มันจะําเป็นจะไปน้ำจำห้องจะฟองะ ป, ปา๊าปเรารู้จักดยั ง, งห้องกรเว็นจะดกระเด็ขนห้างห่านหงจัดเปนช่้นนึงกระเท้าหงสักว่าอันนี้มันช่วยว่าจั้องกระาะปลฟื้นเนี่ยกันฟื้นเ็ดกระห่อนนีดีอะนัคือเรื่งนใครบอเห็นกระซางกันเท้าฟื้นเห็ดกัะหอนอี่ดิบอกสั่งมา ฮะอืมได้ไรมั้งน่ายหมฮ่ายไหมใช่หรอโอ้มัน้าหาแข็งนมืออือบจังเกียดเ ในขณะที่ที่เทกินเขาดื่มัมือนนะท่ามพระพุทธเจ้ามีหลายสัมท่านไดกัดถือกดท่าน้อยเข้าหลีกกดหมายเข้ากับพ่อหลีกได้สัวขาวเข้าหลีกถ้ำหลีกไม่ได้พระองค์เก่าเข้ากับหลีกได้พระส้วขาว เดี๋ยวผลของกรรมที่ทําดีเข้ากะลิกว่าไรคำมันจะทําดีลงไปแล้วมันก็หายพ้นดีขันห้าวําำชัวไปแล้วกะลิกว่าไ้อันนี้มันก็ให้ผลตามมาด้วยนี่แม่เขบอกอันผลของกรรมเนี่ยลิกว่าไรลิกได้แต่พระอรหันต์จำพวกเดียวนะพราะเพิ่นพ่นจากเกลียดตัวบ้านเลยอันนู้นห้าหันพ่นจากเกลียดเนี่ยมันก็ตามมาอยู่แม่พระรหันต์ก็ตามเพื่อนขันตามมาแล้วมันผมพูดถึงเพิ่นนั่นไงอู้น่็มาเพื่อเสือห้าว มันขาดเนี่ยเขาไปทีมเลยครับเขามาเขาก็เลยเอาไปเซตตีนเขามาเขาก็เซตตีนเท่ากับว่าเราเห็นเดือดรอดนี่ยังเนี่ยเพราเข้าทีมแล้วอันค้นหาของพระพุทธเจ้าอันได้ตามมากสร้างเพฝนนไปแล้วเมื่แล้วเนี้ยมาตามมาก็มาเห็นแต่ทานห่างวันอันเข้ามันตามว่ามันกะในทั้งน้ำทั้งเขาที่ว่าจะเนี่ยเกียดเขาอยู่นี่ อันแนวไรอันแนวพระพุทธเจ้าพ่ะท่านถามมันไม่ใช่แน่วหรอเขาทีตกมอระหกมือนี่ก็ะซ้างนั่นแล้วพ่อข้าบอกแล้วเพลนวางสั่พ่อค่อยตกมาก่อนลูกขันเพลนวาง่านเนี่ยเอนเข้าได้ดีมือนี่เข้าได้ดีตอนไหนกันนั้นเน่ยเขาก็ค่ยทดีมาพระพุทธเจ้าอะไรั่นแหละมันเป็นหักสั่เพราะว่ามันเป็นพระญาติพระพุทธเจ้าวัดอันี้อันพระพุทธเจ้าว่าท่านในทรงหามุ่งมี่เ่ยพระท่านพรท่านในทรงอนุโมทนากับ่งมี่มิแต็เขาอหามกับขอบอนุโมทนาท่านพระพุทธเจ้า ไม่จะพิดกบถือส่นพระพุทธเจ้าสอนอยู่ฟาดพิดฟาดถือไปก็เคื่อพระหรหันนั่นโม้องมันจะไปเล่นเลขแค้งพระพุทธเจ้าพุทเจ้าเลยห้องจะไปเล่นเลขประชดพระพุทธเจ้าพุทธเสียห่อนนี่อย่างพุ่ธเจ้าสู้พระนีาดเหรอทางความสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสตาแทนห้จะไปเล่นเลข พอสดประพุติเจ้าพุทธเจ้ห่อนนี่อย่างพเุเธกาสูราพระเนปาลหรืออืมทางคามสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสด า, าแทนท่านอืมอืมครั้งี้นนาง่าน ก, ากับเข้ากับฟื้นมาไหร่คือกั โลกทั้งหลายเต็มไปด้วยทุกข์่มันทุกขอ้เรียกว่าเป็นพระญาติหลวงพ่อพจิาโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความผสมผสองมาทั้งผู้สมผสมกับม่ใ่พระอหันต์จพวกเดียวอ่ัคนละเหลือเรานั้นแต่ยึดเป็นคาเป็นธาตแล้วก็ผสมผสงคนละนั่นนันเข้าไปสอบเอาตรงอออกหนาเข้าเรียนเอาแตเอาตงอออกหนาเข้าจะทำง่ายก็เอาตรงอกออกหนาเรีนา ข้าวชีกันตำแนงไปใส่กับขี้กันนวดอร่อยนี่ว่าขวาดีของข้ามี่ยวมันรูปหยงคั้วดีของข้ามี่ยวมันก็ม่คุค้นคาไร้กาอนของไฟนอกแม่นวอร์แล้วปุ่มหาใเคร่คองเขตเยอะนี่ของไฟนอกเต็มฟ้าเป็นดินเลยฉันรูมี สมัติฝ่ายไนคว่มดีกระตันอยู่อะไรกันเราเห็นหลูกนั้นของว่าบกูบักหนึ่งบอกว่าควางท่วงไม่เรีนตเตลเล็กหมายให้หมายหน้าหมายงันมายซัดเหมือนบักหนึ่งบ <laughs> ้อนมัดให้บ้าหน้าเหรียบบ้น บักหนึ่งวัดดอกบักหนึ่งให้หน้าที่บ้านเขอยู่ในเขตเทศบาลวัดสวนกขาอยู่ในเขตเทศบาลวัดบักหนึ่งหน้าเขาในเขตเทศบาลของปุญญาของตาทวดย่าทวดของเขาไปต่างวันต่างเมืองได้เมืองอุดร ว่าท่านจะตัะ้งจะเป็นบ้านมักแข่งด้วยก่นอืมว่าสัานที่ดีมันหลายที่ฮะนเนี่ยหลายก็มัวละบ้อที่แห่งแบงเครื่องเงินกับไอ่แบงเครื่องกักกกบไอ่ออที่แห่งย่างน้อยกับคนลรเจ็บชิบลานมักน้อยเรียบวุดิมักน้อย คนแรกชี er ้ปลลร้อยสี่ชี้ปลาบักน้อยเรียบุบักไงยั่งบักไงยั่งยุบบักไงยั่งยุบครึ่งหนึงบักไงแต่ว่าลูกมันห่ได้เป็นเจ้าปนาไปได้ลเวีเงินเดือนแยกผู้คนนี่ยบักไงลูกชีเอคนบักน้อยลูกหคนเรียพุฒเออบักเสาไข้กวาเสาไข้กวาไอ้องลุยนี่เรียพุฒิเนี่ หลวงวิญญาณเจาตัเรียบุตรชิกเนี่ยหลวงวิญญาณเรียบุตรแ่นี้เราไปหาไปหาเล็กไหลไปหายากไปเบิงรถไฟกันาสัน่าครับอยากเห็นเล็กบินกับเบิงเครื่องบิน่ไม ว, วาัมพันธ์ว่ครับันอยากเห็นเล็ ก, กไล่น้กบเบงเือกเือยอดแ่ไหมว่ า, วาสัมพันธ์่ อันน้อันเห็นเล็กข่มยางแล่นนําถนนกับไปเบิ้งรถยนต์ใช่ไมครับสันทนาวิที่ไปหายังมันยากเพาะสันเล็กไหลไปสันทนาวิอันนี้อันเล็กตัวหัวใจแน่อมันไหลไปอันเข่าใจพิษด้วยมันไปยังยัมแก้มันมาสันาิชิเล็กหัวใจมันไหลไปเขาใจพิดอันขัววาวที่เป็นพระสมัยเคยยัง สมัยคือจะเขตเด็ดเขเดียวดีแท้ว่าสัมบัติาชี้พวกท่นพอสองมือสมยคือนามือเป็นล้งมือแท้ว่าสัมนเาว่า้มอ่สันาว่าั้ง้เขตอะไรอืมอืม้ยโคตรพิิตเหลาเขาว่าแล้วปหาเลขอีกบ อ๋อพระหาเรียนเลขแล้วก็พระหาอันพระน้ำหาเลี้ยงไรอีกนะฮะโว้ยกระปูติงาเขาเกิดมามก็ะปูติยาเห็นพระนโมจักเถอะพระพุทธเจ้ากระปเห็นไหมเนี่ยพระไตรปิฎกจักเถอะไปบรนดลดานขืนว่าอย่างไหนเนี่ยพระไตรปิฎกกระู่ไม่ เล็กหลยงหน่หวยบ่ได้บ่ได้พวกตูวนี้พวกตูวนึงชิดหายบัดล่าเอาอยาม า, มากคนว่าตัวนด้พวกตูวนึงคิดหายหัดทั้งทั้งใหญ่ๆที่ะนาบไปจอกบังจกักฟองมังรูไปเกาะบังจักฟองคืช่วยไปตักหัว่อมาใส่มากรแหงมดนี่ นักเรงหญิงนักเรงโุลานักเรงเรื่อ ง, ง, ง, ง, งการพนันครบคณชั่วเป็นมิตรเกียรติข้านาชาทำงานในทางที่ชอบประตูใดประตูหนึ่งก็ชิบหายแดง ทำหนี้เดียวยะพวกขาไปลงรื้อลุ้มทันเพิ่มอะไ่นี่ต่อไปพวกขาจะค่อยเท่าดอกสว่างกันบมอพวกขาบวนน้ำลายออกแล้วพวกขามันเอามา ก, กินเองแล้วพวกขาจะค่อยเท่าไปดอกสว่างกันบมอ กระตังทุ ก, กระตังสยองความชอบไม่ทาเชืยออะไรดีกว่าเนตธรรมะการนั่งสยองใครควรเชียรก่อนแล้วจึงทาเชืยออะไรดีกว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าดีอยู่แล้วทำงานเสียวคอยลวดไปกระทิ ม, ต, มตุ๊บลวดตัวต้องออกเข้าเขาปักตูเขาเป็นบรรทัดเข้าออกเข้าออกก็เปลี่ยน ฉิว่าเขาไม่เปานหน้าอย่างไรสัเขาออกเป็นเขาเขาว่าเป็นแต่ฉนว่าเขาไม่เป็นหน้าอย่างไรสัออก เ, เขาคือเขาไปหาคนดีออกออกออกคือเปล่าออกไปหาคนดีมันรุ่นออกไปหาคนตัวบ่เขาไปหาคนชัวบ่เงีมัน มัทมันสั่นเนี่ยเส้นหน่อยเส้มาเส้นยากเส้นง่ายเส้นหน่อยเส้นยากเส้นาสง่ายเล่นนอยก็แนห่อยเนหลายก็เส้หลายมาพวทเจ้าดวงมาเริมิดมาหของมันสวาสอมหมมันบริดุท่์วงเริมิดมันพันธดีมาโลดเงี้ครนาใจรสชาต ชางซับไยหนอกภายได้ับภายในมีหยังพระโสดาสักข้าค่าหน้าค่าอาหารพระประัจเจกพุทธมารพระพุทธเจ้าตั้งหลายซับภายนอกีหยังเกื้อวัดถุในยม้มในทางที่ชอบมันเป็นของ เป็นเรื่องขื่นของมระพุทธธรรมสองมัดเป็นเรื่องขื่นของพัญธุ์พานมัดคือเข็มทิศเป็นเรื่องขื่นของทิศเหนือมัดคือนามขอน้องความเมือง บ, งบาลเป็นเรื่องขื่นของ มหาสมุทะเลบัดไม่ขึ้นอยู่กับพุทธะโลกไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อหลือไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ใม่มีกลางวันกลางคืนแรงข้ อ, อเป็นโลกไร้แนวอยู่เป็นโลกเป็นโลกหัวใจตีบช่องเลือดว่าท่านเป็นโลกโลูกมากโตรักษะวัสดวก แล้วก็เป็นโรคทุกนาดีเป็นนิวเป็นโรคพุ่มแพร่เป็นโรค ก, กับเพราะอาหารเออพุทธทัสมโธสังโฆทัสมโสังโฆเป็นโรคกับเพราะอาหารเป็นโรคเดี๋ยวเดี๋ยเป็นโรคกับเพราะอาหารก็เป็นโรคเดี๋ยวเดี๋ย โาเป็นโรคเป็นโรคห ล, ลายแนว อ, อยู่ประจําตัวงเนี่ยบกแพ้บกบกผ้พผ้าบอทัดน์บกแพ้นอนขาดเคื อ, อ, อ, อนในโรงพยาบาลและเรื่องดน ใ, นใดเรื่องใดพอดีขอขมาโทษด้วยกายว่าใจใจต่บวชพระธรรมประสงค์จะทูลวรวิมุตติพระมาณตาม่าต่อขอโชคยาภานและเบื่องใดเกว่าดีข พระทุ่นถวายสักพนและกายว่าใจใจเป็นคาเป็นธาตพระพุทพระธรรมพระสงฆ์จะทรงเว่าพระมีระมาณตามต่วเท่าของชูพระนิพพแน้วลึกได้พระได้ดีมนุษย์สมบัติสวรัสมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติมีทนายทุนถวายสักพนและกายว่าใจใจเป็นสมบัติอนันหุทราพระพุทพระธรรมสงฆ์จะทรงเว่าพรมีระม่าตามตัเท่าของชูพรนิพานะมันก็ไดบุญยศสมือนแล้วไอ้เนี่ยมันเลื่มห่อกับอุปมาคือห่อระลึกได้ยศเพราะห่ออธิษฐานไว้แล้ว รล้ได้ก็ได้กว่าดีขอตังค์สัตว์ไว้อย่างสั่งเอาบุญมาเป็นมันก็อึดแต่ตัวโมโหขันเอาเอ็นเอาเป็นมันกับ่ืออึดแล้วมออือลูกว่าแล้วก็ทําำพวเราไม่ได้พวเราผลของกรรมไม่ได้เราจับไฟมันก็รอดจับในเดียวนี่มันก็รอนเดียวนี้่พวเราไม่ได้ไม่ดิเรกมาได้เหตุนั้นกรรมและผลของกรรมนั่นเองมันเป็นพยานพระพุทธศาสนาอืม นัที่อื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นปัญหานะ่ะอืผู้ไม่เชื่อกรนะผลของกรรมมันก็ไม่ตามผู้ไม่เชื่อนะเขาไม่เชื่อกรรม่ผลของกรรมหดอกเช่ดงูอย่างนี้มันกินกบกบก็ผูกเวรมันมึงเถี่ยชาหน้ากูจะกินมึงกูจะเป็นงูมึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบมึงตายเป็นกบกูก็ตายเป็นงูน่ะมันเอากันอยู่นะ่ะแมวกับงูกำลันกัน หรือทุกสิ่งทุกอย่างควบคกันหมดพวกเราไม่ได้พวกเราผลน้องกรรมไม่ได้กําบางชนิดให้ผลในภพนี้และภพหนา้าบางชนิให้ผลในภพบุสือบางชนิให้ผลเป็นลํำดับบางชนิดให้ผลตามกิจตามกิจเท่าที่ทำคารุกรรมกําหนักให้ผลทําตาคากรรมระหุกรรม กรรมทุกอย่างทุกอย่างมันก็ให้ผลอยู่ในปัจจุบันเท่งนั้นผลของกรรมคือคือผลของกิตนั่นเองเหตุของกิตผลของจิตเหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจอันนั่นก็อนมาโดยรู้ตัวเหตุนั่งผลก่อนั่งเหตุนอนผลก่อนนอนเหตุนึกผลก็นึกเหตุคิดผลก่อนคิดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจมันสมันอยู่ภในปัจจุบันเลยมันเงาตามตัว <metal music. S 1> มันมันก็ได้ปัจจุบันเหมือนกันอ๋อเรานึกเรานึกโกรธเดี๋ยวนี่มันผลของโกรธมันกิดมาเดี๋ยวนี่ใช่ไหมอืมเรานึกเมตตาผลของเมตรตรกากิมาเดี๋ยวนี่ใช่ไหมนั่นนั่นเรานึกสงสารผลของสงสารกิมาเดี๋ยวนี่ใช่ไหมเรานึกเยี่ม <S <S ยี่มยีมแฉมใส่ผลของเยี่มยีมแฉมใส่ก็มาเดี๋ยวนี้ใช่ไหม นั่นเอนนี้พอแล้วเหตุกรรมผลของเหตุผลของกรรมเหตุพืชเหตุกรรมพืชผลของเหตุผลของพืชก็มีความหมายเดียวกันใครเป็นพืชก็จิตใจัเป็นพืชใครเป็นเหตุก็จิตใจเป็นเหตุใครเป็นกรรมก็จิตใจเป็นมโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายพืชก็มโนพืชเหตุก็มโนเหตุกรรมก็มโนกรรมนะ ผลพงเหตุผลพงพืชเพราะกรรมมันมาในปัจจุบันทางนั้นเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุพริบตาผลก็พริบตาเหตุตั้บตาผลก็มืดนั่นเหตุลืมตาผลก็เห็นเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าใช่ไหมนั่นเราจะไปเห็นได้แต่เหตุจำยมก็เพราะปัญสติปัญญาของเรายังไม่แข็งแกร่งสติปัญญาของเราแข็งแกร่งแล้วบเหตุกับผลมันเชื่อมอยู่ กรรมและผลของกรรมมีอยู่ทุกเอริยาบทของจิตจิตที่นึกไปผลของจิตก็ไปตามนั่นเข้าใจนะใช่ไชัดแด้เนยร่างกายกสมาติจะควฉ า, า, าสมาสมชานะควบสกปกสกปกยข ก, ก, นะ ก, ปกข้างหน้า่างกับพอแหงนะสิบัสกปกข้างนอกอยก็บอะไรก็เลยอาบหน้าม้วร่างกายก็คฮือเฮือกใจก็เฮือกันนั้น เมื่อสโฆโฆกปรกรโรคโกดหลงเข้าจึงมีท่านวัดรสีระวัดภาวนาวัดเพื่อเิวัตรเวียงห่วมันเบาลงพระพุทธศาสนาเป็นสันติภาพช้อนโลกไมมีสันติภาพไม่เบียดเบียนเช่นกันและกันเห็นใสันจะมีภาณา์ที่บาปไม่เป็นเบื้องต้น แยกเสีหนามีอาเทีนยนหน้าท่านเมีกาเมสิเมตชา้าจานเว่นจากอาเทีนยนหน้าท่านเว่นจากกาเมสิเมตชา้าจานเว่นจากโูดฟดหลอกลวงเว่นจากเริมชั่วร่าไม่ไร้แต่ปกิณมกับเมาอยู่แล้วเมาหลบเมาโกรเมาหลงเมาว่ า, าโจ๊สีบะแกบะแกบะตายเมาในความซัว จะเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีจะเป็นผู้ใจถึงในทางทาตัวพูที่เจ้าสอน ข, อนขันค่ดีขอ เ, อเข า, าข้าพ่อข้ากัเขาชั่วพันธุพาดคนดีข้าห่านพ่อข้ากับตองในสามค่อมดีพ่อเนี่ยค่อมตั่วมันกันเลสนาไปเองการท่อทงเที่ยวในวัดถ้าท่องสารไม่เป็นเรื่องเล็ก น, น้อย เรื่องเกิดแก้แคบตายว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องโลกโกรธหลงซึ่งเป็นพืชเพื่อให้มาเกิดแก้แคบตายก็ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหตุนั้นจึงเลยพยาย่ามฝนทางเป็นเ็มก็จะถอนโตออกจากพวมหลงกิเลสทั้งหลายไปร่วม ย, ยกับจรวพ้นหลงลงเกิดล้แก่ลงแก้บ ล, ล, ลงตาย ล้งท่างพริบัติาเพื่อออกจากโลกแล้วพระติเจ้าจงมาสอนโมเหว่โมหายาท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารนานมายาำเลยเขามาพอด้เกิดแก่เจ็บตายอยู่มีน่ะพอดเดินอคาะคมป่าถนะป่สมหวังบ่อยแก่ก็แก่บ่อยเจ็บก็เจ็บบ่อยตายก็ตายเข้าลงเรืยย่งเนี่ยมันหลงง่ายๆ่องเนี่ยมันก็มีโรซยา ลงนังห่มย่อหลายรอบว่าเป็นของเตียงลงนังห่มย่อหลายรอบว่าเป็นของซุกลงนั่งห่มย่อหลายรอบว่าเป็นของตัวตุ่นเอาเอดีเอรอจัแกะว่าอะไรไขายบาออกลงนังห่มย่อหลายรอบว่าเป็นของสวยของง่ามไอที่แท่ก็มีแต่หางกระดูกมีแต่เหนื่นอยมีแต่เอ็นม่แดีน่ามอย้ร้อนผสมกันอ่า่ะไรขงคนเล่าฟันนั่งเอยกระดูกี่แท้บะหมันบะเตียง มีเจ้า เ, เปรนนย์เจ้เนาเงื่อนซ้านเท่ากันยังเอาตะปูตีมันกันยังหมันคว่าแลว้วคนละล่างกายในบ้านนี้เอาเซนเอ็นเป็นผู้มัดผู้รืงอแล้วอาศัยลมหายใจเขาออกเป็นผู้เรียกกายจะสังขารและอาหารคือคำเขา่าผู้เดินนำไฟลม่มเขากินเ ข, าข่าเพิ่มประทนันดิน เ้ากินน้ากับเพิ่มทานน้ำข้าตตองการควบอบอุ่นกับเถิ่มธาดไฟต้องการท้ายเทสละพัดไปมากกับเอาร่มว่าชินล่มปานเมื่อเ น, นึ่งแล้วร่างกายกับวันนึงเพินดังเหยียบสีตะมงกับเปื่อยเนาเมื่อชาดนเนาเหอยังตีตะปูยังหมันกว ถ้าปวดละายกายเนี่ยถ้าปวละลางกายเนี่ ย, ยมันเป็นขอ้อหวัดมันเป็นข้อเกียงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนผ่าชะนะดินใคแตกมือไหนมันที่แตกมือไหนใครทีรับรองได้เปรียบเหมือนตัวน้ำฝนตกก็มาปัง้ปองอะไรมันแตกปั้งไปสกันเปรียบเหมือนพยับแดดฝนตกใครผ้าวานายัาง อืพุทโธพระผ้ามาเกิดมาแกมาแกมาตายทำโม้ช่องไหม่ถึงมาเกิดมาแกมาแกมาตายสังฆโอปัติบัติเพื่อมาเกิดมาแกบาแกมาตายไม่ขาอหมายอันเดียวกันข้าพ้ามาหน้าอันใดใครเ ข, รรข้าใจว่ากรรมฐานข้าพ้ามาหน้ากรรมฐานไหเข้าใจว่ากรรมฐานทุกอย่างมารวนมีหันวัดเอาโลดบริษัทมันสงสัยมันคบหัในใคบนี่ความเขาล้มพักจะเขาออกบ่ แม่หมอเออนั่นเนี่ยลมหายใจเขาออกดีกรรมฐานทุกกรรมฐานดึงมาลมหายใจเขาออกได้หมดคนแก่คนเก็บคนาตายกับไม่เน้ทุกลมหายใจเข่าออกผลเนื้พ่านกับไม่เนทุกลมหายใจเขาออกท่ามไฟเกิดไฟรับกับไม่เนื้ทุกลมหายใจเข่าออกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับม่นื้ทุกลมหายใจเขาออกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณน้ คุณท่านพวกมีคุณเป็นว่างขืนของคุณพุทธธรสงคุณของพุทธทรรมสงเป็นว่างขืนคุณพัญยาภาไปร่วมคิ้วกันก็เกิดวะดับไปใช้คุณพุทธธรสงเปิดวิสังขารคุณเกิดดับเป็นตะพูนึกคิดถึงขาดขาดเวินเวินคุณเอาพุทธธรรมสงไม่ได้เกิดในดับไปใช้เป็นอนัตาคุณเมื่ออยู่ทุกร่วมหายใจเขาเอาลมหายใจเขาออกเป็นกลองคุณนะครับ เป็นแหวนช่องท่าของสติปัญญาของพลังท้าย ใ, ใจของเป็นแหวนช่องท่าเป็นแหวนดวงใจเป็นแหวนดวงถ้าเป็นเครื่องตัดสินก็เกิดความดับกับไม่นื้อทุกลมท้ายใจของซึ่งถ้าปวงก็ย้อนลงมาเป็นสองทํานไฟเกิดไฟดับ ก็เกิดก็รับอยูทุกทุกคณะคิดทั้งฝายไม่เกิดไม่รับกับไม่เกิดไม่รับอยูทุกคณะคิดย้นลงมาเป็นสองละวันทำไปลว่าทำทั้งฝาเกิดฝดับทั้ฝายไม่เกิดไม่ดับทั้งฝาเกิดดับแบ่งออกเป็นสองเอกไม่ออกเป็นซี่อกไม่ออกเป็นสองสยามเพชรดาโลกขี้จะทำหนึ่งโรกกุฏกะทำหนึ่งก็ไม่ยุตุกเอริยบด โลกกุฏิระม <Hang> นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปโลกเกียรติถมต่ำขน้ดลงมาเรากุฏิถมแบ่งออกเป็นทีโสดาบันสักท่าค้ามอนณาคามีอาณา์แบ่งอยงพิสดารเป็นแปดวดาบิทักษ์เทวดาวันที่ฝนสักก็ท่าใครมากสักก็ท่าใคนอาณาครมากอาณาใครฝตอาณาธรแบ่งออกโดนลงมาเขาเป็นสองถ้าไฟเกิดระดับนึงถ้าไฟเาเกิดระดับหนึ่ง ให้เข้าใจง่ายฮะรูปขันนาำขันกระแบงออกเป็นสองขยาย yup. ออกเป <S <S <s <S ็นหารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณหยดลงมาเป็นสองรูปเป็นรูปตามเดิมเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามนามโลกก็ว่านามธรรมก็ว่านามธาตุก็ว่ารูปประคันก็ว่ารูปประโลกก็ว่ารูประธาต์ก็ว่ารูปธรรมก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็หนับไปในในในโลกล้วนโดยทั้งอานาจอนิจจ์ในในโลกล้วน อยู่อำนาจทุกอนัตตาอันนี้ตังทุกขรังอนัตตามาอยู่ในคนอมมุมโลกก็อยู่ในคณะเดียวกันนังเน่าเอ็นกระดูกก็มาอยู่คนอมมุมโลกก็อยู่ในคณะเดียวกันศีตัดจจสินลงในปัจจุบันศีลทําให้แน่นหนาเหมือนศิลาลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันอันเดียวกัน พรโถดมโสังโฆมียในปัจจุ บ, บันอันเดียวแค่ไม่ได้มีในอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วอาานาคตยังไม่มาถึงชพืใดเห็นทรรในปัจจุ บ, บันเพูดนั่นแมวมาเนี่คอนเกรนเดฉันถ้าพอใจและใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้ยึต่อเอาใจฝักใฝ่ายในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่มางสามันติตรอพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้วุทฒิยานี่มีบริบูรณ์แล้วอาชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ขึ้นมาเหลือวิสัยศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิยะเพียนในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติอะไรทั้งสิ้นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้รกลงก็อยู่ที่แห่งเดียวอยู่แห่งเดียวทรงงมมากกะเื่อตย พิจาหนาในวัจจุบัตรนะปัจจุบัตมันไม่มืดห้อพิจาหนาดินดินยิ่งจะไม่พี่เจาหน้าน้ำน้ยิงจะไม่พิจาหนาไฟไฟยิงจะไม่พี่เจาหนารมร่มยิงจะไม่บรเิเวณขนาดห้อาพิา่เจ้าหน้าทหารแต่ไปแท่ดินน้าไฟรมไม่ในวัจถุบันรมดของยายากันสีกาาา็าของละเอีย ด, ดก็คือกของขนาดกลางก็คือกัร พนรพาณ์กันคือกันมีในปัจจุบันมัดทางพระเนรพาน์ว่เป็นขีกาปัจจุบันอดีตนาโด้ในห้องหมอกซีว่าขานี่แล้วมีในปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นพระนรพานเพื่อนก็บพระใว่าข้าพเจ้านี่แล้วเป็นสังขารมีในปัจจุบันเออูได้ว่าคงจักข้าพเจ้าข้าพเจ้าเสียมันเกิดมันดับตายอยห์หันเพื่นก็บบริวารนี่ยทไฟนี่ก็ได้ฟพรนรพาณ์คืออะไรผููได้ว่งจักข้าพเจ้าข้าพเจ้าเสียมันไปเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายโยบะแหลวว่าหลอด พะเจ้าผ่านก็ว่าได้ยืนยันมันก็เป็นหน้าที่ของผู้รู้และผู้โมลูทั้งหากันหอกนั่นนั่นนัด้วย้นั่นย้วใจก็พูดปั้งกับผูดบอกมันก็ได้นั่นออกนอกเรีนั่นออกไปนอกมันก็โง่มาหาเอาคือแคปสอบชี่ไปเรื่องก็โง่มาสี่เข่ามั้งพรเจ้าแเพื่อผลทุกนวัตาช่องสารปัญหามันก็ปรม่าเลย ไม่เป็นไยกายังปัญหาปะมาณพอะเห็นโลกทั้งหลายอยู่ใต้อานาจอานิจังเนี่ยเห็นอนิจังขณะิดนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแหะเห็นดินนําไฟลุกณะคิดนึ่ก็เห็นโลกรอบหนึ่งแหะเห็นทำาฟเกิดไฟดับรอบหนึ่งก็เห็นโลกรอบนึงะอันทำไฟมาเกิดมาดับมัอยู่ในโลกนี้แเอามาอกนําตังคดชื่อองทันวยนนอกโลกกับบังได้ระวางโลกกับบแงเเมื่อได้ยินญาว่าสีอยใส่วัตถะศูนย์ที่ว่าสับศูนย์กันยังว่าเป็นเรื่องของศูนย์ ศูนย์ว่ามันพันในพ่านพันธพานว่ามันศูนย์แตว่าพันธุ์ใพ่านศูนย์เลยถิดเลยแดดในพันธุ์ในพานยังมีอยู่เฮียงสันค so ืออากาศเนี acted, ่ยแว่ามันศูนย์เลยเถิดเลยแดดในอากาศมีอยู่เฮียงสันถ้ำไฟมาเกิดเมื่อดับว่ามันเป็นศูนย์นะท้ำไฟเกิดไฟรับเกิดถ้ำไฟมาเกิดเมื่อดับเกลียดพายเป็นเจ้าของสันโอ้ข้าพระเจ้าเนี่ยแล้วเพื่อได้ยังไม่ยึดถือออกกให้ม่าข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นท้ำไฟมาเกิดเมื่อดับ ทำาฟเกิดไฟรับก mm ัหลายข้าพเจ้าจะเป็นขีขายืดลำโพงขีขายืดลำโพงนี่นะภาพทั้งหลายก็บอว่าพ่าไม่จริงทำไฟเกิดไฟรับก็เป็นของกลางนี่คือกันทำไฟ้าเกิดไฟรับก็เป็นของกลางนี่คือกัากี้เหร่ก็เป็นของกลางนี่คือกันคือกนนะขีเหรเกิดคือกันนะข้าพเจ้านี่ยอะรเป็นกิเลรเป็นโลกเป็นโกดเป็นหลงไฟบุญของักข้าพเจ้าทิ่ให้มันทองทีเอาตายอยู่ดีี้เลรก็บรได้ว่าเั่นนั่นอันมู้นี่นาพี่ก็น่าได้ ทั้งหอมหา่างหัวผู้สนหนีบฤเดศวรกาเฉยมาใดดังไดนี่ดีไม่ประโยชน์ด้วยประการเชิงสั้นใดจึงได้ท่องรั้วผันลวงร่มมาพี่คขมุล า, างถ้าหอมห่ายหัวผู้ส้นนีบ้บฤเดศวรกาเฉยมาใดดังไดนี่ดีการะเกียดติชิ้นใส่มาดล่องผายขึ้นชูไว้หาค่อยดูยมมาหน้าอะไรฝากฟ้องเพื่อนฝงพระทหารคิตดยุ่งสูงก็เห็นสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกโกรธหลง กะท้วนสกงเลยแทนตัวแม่นบอม่าร่วงพายกระทู้ไอ้ฮะอุปมาคือปัญญาของเพิ่นมันสูงกมมห่อแล้วเพิ่นว่องมึงห้าวเขาฟาดฟ้องเพื่อนฟกงเลนตัวแม่นบอที่นี่มันว่ายหนอที่นี่คัดข้องหนอพายุดพฤติกรรมไปพระพุทธเจ้าตอบปับที่นี่มาบนว่ายที่นี่มาคัดข้องอแวกันกระชีบวนว่ายคัดของในใจของเพิ่นโมไม่กิเลสใจของเขาม่มีกิเลสเัดของยังไม่กเงคลื่ น, นวนว่ายอยู่เห็นบ่ น่องเลือดกันโยนนั่นคำว่ามีพระพุทธศาสนาแสกแฉกในโลกเรื่องวถ้าได้นำตาถ้าได้เลือดมันก็หันใจบ่อยเลยอะไม่มีน้อยแก้วย่องอยู่บนหัวชวนผมศุรีหมดที่ว่ายว่างเมียกคือพระพุทธพระธรรมระสงค์เรพยองอยู่บนหัวใจผงศุรีหมดที่ว่ายว่างเมียกฆ่ากันตายอยู่นั่นมือเรื่องพึ่งเือยมืเรื่องปือยปิ่น พระพุทธเจ้าสอนนะทําให้โรคบาลคุ้คมครองโรคสองอย่างเพราะน้ออายตบบับความลกลัวตบบับเท่านั้นจะคุ้คมครองโรคได้ถ้าไม่มียาอายตบบับไม่มมกลนะัวตบบับเนี้ยข้าโลกจะสร้างคนหมายไปกี่ยวนาร้มันก็ไม่อยู่อูคข้องทําให้นำคํามเมินม 1, งกับหมดที่เพิ่งตีอิงอาศัยขาใจโรกาอย่าประมาทพระพุทธศาสนาเถิด น, นะนะเอา้าขัน้าโรกไม่เชื่อหาบริบูรณ์่นนเอา้เอามันสงข้าวบัญชีไม่มากินที่แตกทีเนี้ยมันกระโบนี่ได้ไหมอันวะทหารที่มีไปกินที่แตกที่ยนี้ตำรวจมีไปกินที่แตกเนี่สเนหา อันนั้นขาฟันนั่นแท่งกันมันวุ่นวายอยู่เสมอยมันก็ออกจากสินานนั่นมันผิดขั้พระเจ้าบอกอะไรพระพุทธเจ้าว่าทําให้โรกบาลผุ้คลองสองอย่างคนร้ายตบบาปครอบครก็มันก็บ่รดาตบบากตัวมันจะไปล่วงระเมิดสินหาจะว่าอย่างไรสักนั่นนั่นนั่นะวันั้นเดี๋ยุ่งเดินุ่งกางเกงงุบขี่ไก่บางคนฆ่ากันประมาณพระพุทธศาสนาไปบวชเห็นบอ ถ้าผลของกรรมบ่ไม่ข้ากับพระเสือพระพุทธศาสนาคือกันนะจะผูน้นี้ไปยิงเราก็ไม่ยังตามมาแลยหสือว่าเนอืยผู้นี้ไปตอนงัวนตอนกล้วยมันก็ยังตามมาเล้ยจะพลาดเลยรัดนะสมมุติเก่ากรรมแล้วลผลของกรรมมัดกับพระเสือพระพุทธศาสนาเคือกันนับกำโมนาวัตติโรโกโันโลกเป็นไปตามกรรมทําไมเขาจึงม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดก็พระบารมียังอ่อน ทำไมเขาดึงจึงไม่ได้ปริญญาก็เพราะกศรากาขอศราขาเขายัางเฮียนอยู่มันจะได้ยังไงแมนบอกโยเขาสันดแม้เว้เอว่างที่นี่นะัก